แล้วพวกเราก็พิเพเรียกันแต่บางท่านก็หลับมาบนรถก็คงไม่เพรียเท่าไร น, นะก็ตรงนี้ก็ให้นึกถึงพระบรมศาสดาสา ม, มาสัมพุทธเจ้าเราท่านทั้งหลายรอนแลมเดินทางกันมาอย่าไปคิดในเรื่องการเหน็ดเหนื่อยเลยให้คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะสังเวะยานะ ยานปัญญาที่เกิดร่วมกันกับวิริยะคือความเพียรอย่างแรงกล้าแล้วก็เกิดปัญญาในอันที่จะเห็นความสะดุ้งสะเทือนวันไหวต่อการที่จะมาเฝ้าสถานที่ทิ้งขันทภาระให้กับพยามารของพระบรมศาสดาณนกะุสินาราแห่งนี้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 จากคนไทยเราที่ส่งเครื่องบรรณาการทั้งหลายเนี่ยมาสักการะมาบูชาเขาทําทั้งฉัดดอกไม้บูชาแล้วก็มีการประโคมดนตรีมีการขับร้องนีมีการฉลองกันอยู่สามวันนียที่ตรงเนี้ยเขาปักธงทิวเป็นแถวบริเวณนี้ล้อมหมดเลยแล้วก็มีการลําถวายเป็นพุทธบูชา มีการแห่ดอกไม้แห่ฉัดดอกไม้จากบริเวณนี้ไปที่ปรินิพานสุูปพอวันที่18เขาก็จะแห่จากบริเวณนี้ไปที่เผาบรมศพพระบรมศาสดาแล้วก็มีการฟังธรรมกันตอนกลางคืนที่บริเวณที่ทำวัดสวดมนก็ เ, เรียกพระพลาเลยตรงนั้ น, น ตรงนั้นแหละฉะนั้นเขาก็ได้มีการเฉลิมฉลองกันคาว่าเฉลิมฉลองในที่นั้นนะแท้ที่จริงก็คือว่ามีการบูชาตอนที่พระบรมศา ส, สดาสเสด็จ ด, ดับขันเทปริณิพานนั้นเน่เขาก็มีการบูชากันแต่บูชาลักษณะไหนบูชาในลักษณะที่ว่ามีการขับ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 กรรมเหล่านั้นที่ทำมาอย่างหนานแน่นอย่างยาวนานถ้าถามว่าพระบรมศาสดานั่นอุตสาหะเพียรพยายามในการประกอบบาเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมีพระทานบารมีเป็นต้นเพื่อใครเมื่อวานนี้ฟังท่านอาจารย์มหาอุาท่านพูดว่าบาเพ็ญบารมีเพื่อใคร ให้สังเกต ด, ดูั้มไม่ใช่เพื่อพระองค์นะถ้าหลังจากสีอสงไข ย, ยิ่งด้วยแสนหมากับยิ่งชัดใหญ่ไม่ใช่เพื่อตอนเองเลยแม้แต่น้อยพระองค์สละอราตมักสละอราตผลสละมักผลเนี่ย ที่ตนเองพึงจะได้เป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทาญาณทั้งสี่คืออัฏฐปฏิสัมพิทาธรรมปฏิสัมพิทานิรุตติปฏิสัมพิทาปฏิภาณปฏิสัมพิทาอภิญญาหกมีที่พระจกักขุอภิญญาเป็นต้นเหล่านี้จนถึงอาสวะขยายญาณเนี่ยที่ตนเองสามารถบรรลุได้น้อมสละทิ้งเลยไม่เอา ทำไมจึงไม่เอาท่านมีอัธยาศัยว่าคนเช่นเราเนี่ยถ้าจะตัททะรู้ก็ปรารถนาที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตด้วยแล้วเมื่อเราได้บรรลุโลกุตละธรรมแล้วก็ปรารถนาให้บุคคลอื่นบรรลุด้วยเราข้ามได้แล้วจะปรารถนาปรารถนาบุคคลอื่นให้ข้ามด้วยเป็นต้นเราเนี่ยนั่นเพื่อพวกเราทุกคน นี่คือพระศ า, าสดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเทวดาและมนุษย์ของจักราวาลทั้งสิ้นโดยจำเปฉะนั้นเมื่อเรามีพระบรมศาสดาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราไปมัวเห็นแก่ตนเองเห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อยไม่ได้จริงๆเราควรที่จะมา ตั้งมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างแท้จริงกันได้แล้วโยอมมองไปที่ตรงหน้าที่เขาประดับเพชรอะรามามีโอกาสคุยกับโยมที่เป็นผู้มาประดับทั้งหลายท่านให้ช่างเก็บเพชรประจำตระกูล ทั้งหมดเนี่ยตกแต่งอยู่สามเดือนหนึ่งประดับมูลค่านี้ไม่ต้องพูดถึงทำไมทาไมเขากล้ากล้าทาอันนี้เอาคนยุคนี้เนี่ยแล้วกรณีที่เคยถามโยมที่เขามานั่งออกแบบแล้วก็คิดทำ สถูปเหล่านี้บูชาพระบุทธเจ้าแบบเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันคิดแบบด้วยในนีนน้คิดแบบเราก็จะเห็นว่าอันนั้นคือศรัทธาของบุคคลที่เาเขามี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 ถ้าเราย้อนไปเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยสร้างวิหาร 84,000 เจดี 84,000 ถวายเป็นพุทธบูชาพระเจ้าโศกเนี่ยมีความรักมีความอะไรในพระบรมศาสดามากมากเกิดมาสุดท้ายไปหลังในยุค300กว่าปีท่านเป็นนั่งที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก็มีรักในต้นพระศรีมหาโพลมากมาที่ปริิีพานสถัถุตรงนี้ท่านก็ทำสั ญ, ญลักษณ์เอาไว้ขนาดว่าอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพนี่นะจากไปที่ลังกาทวีปไปที่ตีลังกานะท่านเดินประนมมือ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 พระพู้มีประภาคเจ้าได้แค่นี้ทำไมทำไมท่านท่านถึงมีความรักในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเพราะท่านมีข้อมูลท่านมีข้อมูลย้อนกลับไปเราไปที่ราชครึพระเจ้าพิมพิสารมหาราชแวนมคตซึ่งมีประชากรในตัวเมือง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 ก็ส่งเครื่องบรรณาการมาที่พระเจ้าพิพพมพิสารเพื่อจะมาราษนาพระบรมศาสดาก็ต้องมาขออนุญาตพระเจ้าเพนดินพระเจ้าเพนดินก็บอกในเบิกกาบทูลพระศาสดาก็ไปนิมนต์พระศาสดาพระศาสดารับพอ ร, รับเบิเสร็จพระเจ้าพิมพิสารสร้าง สร้างวัดในทุกๆโยต์ทุกๆ16กยิโรเมตรพระศ า, าสดาสเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ระหว่างทางก็พักสร้างวัดถวายและปโปรยดอกไม้สร้างมีความรักในพระศ า, าสดามากไม่มากอันนั้นคือพระรยะด้วยนะไม่ใช่บุตุชนรักเดินไปตามลำดับแล้วก็ไปทำเรือกั้นชัด ถวายเยาวาเตศมนุษย์เลยเทวดาและพรม <c oughs> เขาก็ามาบูชาพระาศาสดาตอนนั้นก็เหมือนกันพอไปส่งพระบรมศาสดาตอนนั้นพระบระมาศส า, นนม ส, าศสดายังทรงพระชนอยู่นะพระเจ้าพิมพิสารก็เดินไม่อยากจากพระาศาสดาเดินลงน้ำแม่น้ำโขงคะ่ะเดินลุยน้ำไปส่งพระาศาสดา จับเกาะเรือที่พระศาสดาทรงประทับนั่งแล้วก็เดินตามเรือไปจนแค่พระสอตะโกนกราบพระผู้มีพภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระบรมศาสดาไปโปรดในแฝนวัชีอุบาสกบาสิกาในนั้นเบ็ดเสร็จแล้วข้าพระองค์ขอกราบระดานิมนต์ข้าพระองค์ก็จักรอพระบรมศาสดานะ ที่ฝั่งนี้แหละจนกว่าพระบรมศาสดาจักเสด็จกลับนี่อันนี้หมายถึงอะไร น, นั่นคือความรักคือความฉัฏฐะศรัทธาคือความเชื่อมั่นในตถาคตาโพธิศัทธาทำไมลงทุนกันอย่างนั้นมายุคของการที่พระบรมศาสดาไปโปรโด ในชาววัถีในแคว้นวัถีแคว้นสาวัตถีที่ไปแสดงยมคกับปฏิหารที่แดนยมกเดินทางจากนี้ไปก็ประมาณ400ยกิโลตอนนั้นเนี่ยก็มีการประชาชนก็ตามไปเพื่อต้องการไปฟังเทศนาที่มีความสุขุมลุ่มลึกทั้งอิทธิปฏิหารมีแสดงฤทธิ์ด้วย อย่างหาบุคคลเปรียบเทียบไม่ได้ในโลกสองอาเทศนาปฏิหารในขณะเดียวกันพระศ า, าสดากำหนดรู้ใจของสัตว์ทั้งหลายที่ไปณบริเวณนั้นทั้งหมดด้วยสามก็คืออนุสาสนีปฏิหารก็คือพระธรรมที่มีความอัศจรรย์ในการแสดงวันนั้นด้วยสัตว์ปาารินาที่จะได้สัมผัสความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ในทางอิทธิปฏิหาราเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารที่มีความสลับกันอย่างอัศจรรย์มากเนี่ยเ่เต็มไปหมดเลยบริเวณ2ี่สบกว่าโยชนจนถึงเกือบจะส0มสิบโยชน์พระบรมศาสดาสแสดงเนี่ยัดได้บรรลุ ก, กันสองรอล้านเนี่ยในแดนยมกแสดงยมวกกัคคปฏปฏิหารเป็นต้น แล้วก็เสด็จจำรรษาที่เดาดึงในภาษาที่เจ็ดโปรเทพุทธมานดาพร้อมด้วยเทวดาและพรหมไปแสดงบนโน้นสัตว์บรรลุหาประมาณไม่ได้ประชาชนไม่ยอมกลับคอยเฝ้าภาษาสดาอยู่ปักหลักกันที่สาวัตถีเนืองแน่นเลยจนต่อมาพระโมคคัลลานะขึ้นไปกราบทูล หลังจากครบสามเดือนแล้วเนี่ยนะว่าพระบระมศา ส, สดาจะเสด็จลงณที่ไหนพระาศาสดาถามบอกว่าพี่ชายของเธอจำภรษาในาที่ไหนหมายถึงภาษารีบุตรคือในบรรดาบริษัททั้ง 4, สี่ภาษารีบุตรนี่จัดว่าเป็นพี่คนโตเป็นปรินายกแก้วในทางธรรมเราท่านทั้งหลายถ้าเป็นลูกของพระาศาสดาเนะี่ย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 เป็นธรรมราชาเป็นเจ้าของพระธรรมทั้งหมดเป็นเจ้าของอริยทรัพย์ทั้งหมดเป็นเจ้าของโลกยยธรรมและโลกุตตรธรรมอามิสบูชาทั้งหลายที่เราเห็นวัดวาลามทั้งหมดนี่นะทุกวัดในโลกพื้นแผ่นดินทั้งหมดของหอมดอกไม้ภาพผ่อน แผ พ, พันทั้งหลายที่มองเห็นทั้งหมดเหล่านี้เขาสร้างถวายเป็นพุทธบูชานะรวดลายเอ่ยประดับเอ ơi, ่ยต่างๆเหล่านี้ที่บรรจงการทำกันมาแล้วแล้วเราเนี่ยเขาทําทําอะไรก็ทําถวายเป็นพุทธบูชานี่เป็นอมิสบูชาแต่ถ้าอมิสบูชาเนี่ยเชื่อมโยงเป็นปัจจัยต่อธรรมบูชาของท่านเหล่านั้นได้ยิ่งประเสริฐ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 ตอนที่พระบรมศาสดาแสดงธรรมตอนที่ท่านไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นต้นเป็นระยะระยะนีน้ท่านเอาหน้าไปไว้ไหนเทวดาพูดอย่างนี้นะท่านเอาหน้าไปไว้ห ไ, ไหนคําพูดเนี่ยเตือนภิกษุเตือนภิกษุณีเตือนอุบาสกเบิ่เตือนอุบาสิกานะเตือนพุทธบริษัทของพระศาสดาว่าเวลาเราไปนั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดา นั่งอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาเนี่ยเราเอาหน้าไปไว้ไหนคําว่าเอาหน้าไปไว้ไหนเนี่ยแปลว่าทําไมเห็นหน้าไปทั้งอื่นทําไมไม่มองพระศาสดาและคําว่าเอาหน้าไปไว้ไหนอีกคําหนึ่งแปลว่าทําไมส่งใจไปทั้งอื่นทําไมถึงส่งใจไปทั้งอื่นทําไมไม่คิดไม่นอบน้อมพระศาสดา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 แต่หนักในคุณของภาษาสดาขอให้เราท่านทั้งหลายสวดสาธยายพุทธคุณพร้อมกันก่อนนะเดี๋ยวได้ฟังข้อมูลอีอทิปิโสภาควะ สัมมาสัมพุทธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลคเวทุ a น u s ร r o p รสส sajam s สาร t i ิสั t h าเทวมนุษ สานังพุทธโดภาควาติสวากาโตภาคาวตาธรมโมสันติโกอคาริโกเอหิปัสสิโก โอปะณียโกปะจัตตังเวทิตาโพวิญโยติติสุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโกอุชุปาติปันโนภาควโตสาวกสังโก ยยปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยาทิทังยัตตาิทุริสายุคานิอาตตาปุริสภุฆาลา เอสาภาคาวโตสาวกสังโคอาหูนยโยปาหูนยโยทากีนายโยอัญจริกระนิโยอนุตตรลังปุญญกเขตตังโรกาสติ นาทิเมสระนังอันยังโพธเมสระนังวรังเอเตนัสจาวัจเจนะวัดเทอยังสัทตุศาสเนนาติเมสระนังอันยัง ธรรมโมเมสารนางวารังเอเตนสัจวัตเจนาวัดเถยยังสาธุศาสเนนาติเมสารนางอัญญังสร้างโคเมสารนางวารัง สาจวเจนาวัเชนาวัดเยังาศาสทุสาเนก้มลงขอขมาพระผู้มีพระภาคย้าพระธรรมและพระสงฆ์นะกายเยนวาจายาวะเจตสาวาผูเทกุกรมังปะกตังไม่อย่าง พุทโธปาิคานหาตุอาจายันตังการันตเรสังวริตุงวะพุทเถกายเยนะวาจายาวะเจตสาวะมุตเมกุกามังปะกาตังม่ยาหยางธรมโมปาิคันหาตุอาจารยันตัง การันทะเรสังวริตรงวัฒนเมกาเยนวจาใวัเจตสาวสังเคกุกรรมพักกตังไม่ยากยางสังโกปฏิการหาตัวเจยันตังการันทะเรสังวริตรงวังสังเก ฐานาปารามิสัมปันโนฐานาอุปปารามิสัมปันโนฐานาบามัทธาาลามิสัมปันโนเม ตาไมตริการุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสปะขาวสิลาปารามิสัมปันโนสิลา ปาปาลามิสัมปันโนสีลาปะระมาตาปาระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุปขาปารา สัมปันโนอิติปิโสภะควาเนคัมมะปาลามิสัมปันโนเนคัมมอุปาปาลามิสัมปันโน เนคขามปาลามตาปาลามีสำพันโนเมตตาไมตรีการุณามุตตาอุเปกาปาลามีสมปันโนติปิโสภะคะวา ปัญญาบาลามีสัมปันโนปัญญาอุปาปาร